ตอนนี้ยี่สิบองศาหลวงพ่อนึกว่าวันนี้จะไม่มีคนมาฟังเทศนะปกติวันนี้ต้องไปไหว้เจ้ากันดูพวกเราเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วไม่ใช่รุ่นคลิ้งคลัดในการไหว้ดูใจไหลไปอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหม ใจมันรอรอฟังให้ใจมันอยู่กับตัวเองนะอย้ใจมันไหลออกไปเคยรู้สึกเคยรู้สึกไว้เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะพัฒนาตัวเองถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะไปภาวนาทําทไม่ได้เลยจะมารู้กายจะมารู้ใจมันรู้ไม่ได้เพราะใจมันหนีไป มีคนในโลกนะใจมันไปข้างนอกหมดใจมหลงส่วนนักปฏิบัติบางทีใจก็หลงเข้าไปข้างในวนกลับข้างเข้าไปข้างในก็ได้ตอนไหนไม่ได้ปฏิบัติก็ไหลออกไปข้างนอกมันหาคนที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะหายากที่สุดเลยยิ่งสมัยก่อนรักสามปีก่อนนะแทบไม่มีเลย ยุคน้อนครูบาอาจารย์ยังมีจํานวนมากมีหลายองค์ที่ครูบาอาจารย์ที่ดีๆแต่คนที่ภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทําสมาธินิ่ ง, งๆเฉยๆหรือไม่ก็ขาดสติไปเลยคนที่จะรู้ตื่นและเบิกบานหายากมาถึงวันนี้ที่พวกเราเป็นกันเนี่ยพวกเราจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจนวนมาก บางคนก็สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นกายอยู่ส่วนหนึงใจเป็นคนดูเห็นความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึงใจเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นคนดูดูอะไร ด, ดูจิตมันทำงานมีพวกเราฝึกมาตรงนี้ได้เยอะละมีจำนวนมาก สิ่งที่พวกเราขาดนะั่นก็คือสมาธินะเรายังขาดสมาธิค่อยมากๆที่ใจของเราเป็นผู้รู้นะั้นมันเป็นผู้รู้ประเดี๋ยวเดียวมันจะเป็นผู้หลงวันหนึ่งสัดส่วนระหว่างผู้รู้กับผู้หลงเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยความเป็นผู้รู้นะั้นสั้นนิดเดียวความเป็นผู้หลงนี้ยาวเร า, เราต้องพยายามฝึกเจิตใจของตัวเองนะให้ใจิตใจมันมีสมาธิให้มากพอ ให้มตั้งมั่นอยู่กับเนอกับตัวไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งเข้าฌานนะเพราะคนรุ่นเราเนี่ยที่จะเข้าฌานได้จริงๆมีไม่มากเราใช้อาศัยปัญญานำสมาธิเจริญปัญญาไปแล้วก็ให้ใจมนรู้จักเข้ามาพักเป็นช่วงๆแล้วทำสม่ำเสมอไปเนี่ยจิตจะค่อยๆมีพลังมากขึ้น ถ้าพวกเราสังเกตนะเราก็จะสังเกตเห็นนะว่าพวกเราเองขนาดนี้สมาธิของพวกเราดีขึ้นรู้สึกัหมทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ฝึกเข้าฌานทำไมจิตใจของเราตั้งมั่นเด่นดวงได้มากขึ้นรู้เนือ้อรู้ตรวจได้มากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมจิตมันมีพลังมันมีเรื่อมีแรงนะอาศัยการเจริญปัญญาสมาธิก็เกิดขึ้นการปฏิบัติเนี่ยทาได้หลายแบบ บางท่านท่านก็ใช้สมาธินำปัญญาบางพวกก็ใช้ปัญญานำสมาธิบางท่านใช้สมาธิและปัญญาควบกันในยุคครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ตท่านต้องพูดตรงๆคืทั้งนั้นเลยนะที่เห็นนะท่านทำสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิเข้าชานเข้าอะไรกันชำนี้ชำนาญ น, นั่งสมาธิกันทีหลายชั่วโมง ตีนั่งโต้รุ่งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยพวกเรานะหลับโต้รุ่งเป็นปกติของเราสู้กันไม่ได้ยคุครูบาอาจารย์นะท่านส่วนใหญ่ท่านเป็นชาวไร่ชาวนาท่านไม่ชอบคิดอะไรซับซ้อนวุ่นวายเหมือนที่พวกเราชอบคิดกันวุ่นวายตลอดเวลาภาษาที่ท่านมีก็มีไม่มากเป็นภาษาที่ซ้ำซากอย่างอยู่ในท้องนาเนี่ยี่ปีมันก็เหมือนเดิม บัวควายก็เหมือนเดิมคนก็น่าเกา่าเก่าไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาโทรทัศน์ก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตก็ไม่มีการชีวิตท่านจะอยู่บนเบียนอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่มีสิ่งเร้าวใจนะให้เคลื่อนไหวรุนแรงไม่เหมือนพวกเราเนี่ยสิ่งเรั่เต็มไปหมดเลยนั้นท่านทําสมาธิง่ายนะแล้ชีวิตท่านเป็นชาวไร่ชาวนาท่านลําบากยากแค้นอดอยาก เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรสักอย่างลําบากงั้นถ้าให้ท่านไปนั่งสมาธิมีความสุขมีความสบายอย่างนี้ท่านก็ชอบกันมันสบายมีความสุข ก, กว่าชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆลําเคินยากแค้นลําเค็นฝนไม่มาก็ทํำนาไม่ได้ฝนมากนะนาก็เสียอะไรเนะี้ยชีวิตแบบเสียงสูงแต่ว่าซ้าซาก เงี้ยให้ท่านไปนั่งสมาธิท่านนั่นนงกันมีความสุขเป็นวิธีที่ท่านจะได้รับความสุขกันนีพอท่านได้สมาธิกันแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านขึ้นไปอีกฉลาดก็สอนให้ท่านเจริญปัญญาเพราะว่านั่งแต่สมาธิปัญญามันไม่เกิดมันก็ให้คิดพิจรารณาอยู่ๆเนี่ยจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาก็าพยายามกระตุ้นให้มันเดินปัญญาเนี่ยการคิดพิจรารณาก่อน อย่างคิดพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนือเอ็นกระดูกแต่ละส่วนนะไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมคิดพิจารณาคิดพิจารณาเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยพอจิตมันหัดมองมันพิจารณาบ่อยๆนะต่อไปเวลามันมองร่างกายเนี่ย มันจะรู้จักมองในมุมของไตรลักษณ์ไม่งั้นจะรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะใจไม่สงบนิ่งๆเพอมาดูร่างกายก็เฉยๆไม่มีปัญญาแต่ถ้าใจมันถูกสอนถูกกระตุ้นให้หันมองไตรลักษณ์แล้วในี่ยพอมสมาธิเกิดขึ้นพอคลยออกจากสมาธินะย้อนมาดู ก, กายนะมันจะมองกายในมุมของความเป็นไตรลักษณนะ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนาะส่วนใหญ่ท่านก็ฝึกมาอย่างนี้ พอท่านผ่านเรื่องกายและจิตปล่อยวางกายแลก็เข้ามาที่จิตมาภาวนาต่อกันที่จิตมาแตกหักกันที่จิตนั้นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยท่านมักจะส อ, อนบอกว่ากายเนี่ยเป็นสนาับลบเพื่อจะได้เป็นพระโสดาพระสกทาขาพระอนาคาจิตเป็นสนับรบเพื่อจะเป็นพระอรหันต์นี่ครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งเนี่ยซึ่งท่านอาศจรีหลโงปุดุล หลวงปู่ดูลก็เรียนจากหลวงปูมั่นนะั่นแหละะเบื้องต้นก็พุทโธพิจารณ์ ก, กายเพราเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตเนียความเก่งของหลวงปูมั่นนะความอัศจรรย์ของครูบาอาจารย์เลยคนนี้มีความพร้อมที่เรียนเรื่องจิตแล้วให้เรียนเลยนั่นหลวงปู่ดูลมาเรียนเรื่องจิตสังเกตจิตการสังเกตจิตไม่ใช่ทําจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปูมั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสเพสังคารา สัพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงคำว่าสังขารก็คือความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงช่วบ้างอย่างความรอบความเกิดความหลงเนี่ยเป็นสังขารสังขารทั้งหลายสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาซอนอยู่ซองประโยคนี้ ออกสัพเพสังคาราสัพพสัญญาอนิจจะอย่งางเงี้ยสัพเพสังคาราสัพพสัญญาอนัตตาแล้วดูสองมุมมุมของความเป็นอนิจจังกับความเป็นอนัตตาเนี่ยความเก่งของครูบาอาจารย์นะนั่นเก่งจริงๆเพราะการดูจิตดูใจเนี่ยตัวที่เด่นนะคืออนิจจังกับอนัตตาอย่างพวกเราคนไหนทำวัดเช้าได้บ้างมีไหมใครทำรวัดเช้ามีน้อยนะเป็นหัดทำนะ แล้วไปดูบทธรรมัะแปลนะในธรรมะเช้าจะพูดถึงเรื่องรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาสัญญาณิจจาสังขารานิชจาบิณญาณานิจญญนนจังรู ป, ปังอนัตตาจากไม่เที่ยงขึ้นอนัตตาเลยนะแบบแบบเดียวกับที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลเพราะสะภาวะของจิตเนี่ยตัวที่เด่นชัดคือความไม่เที่ยงกับการบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับในหลวงปู่ดุลท่านก็ดูจิตนะ ในเวลาไม่นานไม่กี่เดืนอนหรอกนะท่านก็รู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้ว่าใจที่มันมีความอยากนี่นว่าจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่หิวอารมณ์จิตที่สแสวงหาอารมณ์นะจะหิวหิวอะไรหิวอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากจะคิดนึกอะไรที่สนุกสนานเนี่ยใจมันหิวหรือพอออกไปกระทบอารมณ์แล้วไม่ได้ถูกใจนะก็ไม่ชอบ เกิดว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นขึ้นมาเนะ่ ใ, นใจมันมีตัณหาท่านสังเกตเห็ น, นว่าถ้าใจมันออกไปวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเนะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะถ้าจิตมันมีสติอบรมนะสมาธิดีปัญญาหล่อเลี้ยงอยู่จนกระทั่งมันรู้แจ้งแทงตลอดนะ ในความเป็นจริงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือจิตเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์เมื่อเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือจิตนะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นท่านถึงบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะถ้าพูดให้เต็มภูมิที่หลวงปู่อยากจะพูดน่นต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหันตมรรคเพราะครูบาอาจารย์รุ่นน้อน่ยมาลุยที่จิตเนี้ยขั้นสุดท้ายกันเลย ส่วนเราปูดุลเนี่ยฝึกดูกายในขั้นต้นๆเท่านั้นเองถัดมาเนี่ยดูจิตมาตลอดเลยแล้วใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจเรื่องของจิตเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันคือตัวทุกข์นั่นเองจิตก็ปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตนะจิตก็แปลสภาพเป็นธรรมลุ่นล้วนเลยเป็นสภาวะที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหา หยุดกริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างถามแล้วเหลืออะไรไหมเหลือเหลือความสงบความสันติสันตินั่นแหละคือคำว่านิพานไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยกระทั่งความสงบสันติก็ไม่มีไม่ใช่นะนิพานเนี่ยมีสันติลักษณะนี่หลวงปู่ดุลนะเวลาท่านมาสอนลูกศิษย์เนี่ยท่านจะสอนตามจริตนิสัย อย่างเวลาเราเข้าไปเรียนกับท่านนะบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านไม่ได้มานั่งเทศนะท่านยันั่งหลับตาเงียบๆ เ, เลยสอบประวัติเราเป็นชั่วโมงเลยบางคนเนี่ยประวัติอยู่ลึกมากเลยต้องนั่งนานเกินชั่วโมงอีกนะบางคนภอนาได้ไายๆอะไรชาติใกล้ๆนี้ก็ภาวนามาเนี่ยแลท่านดูไปนิดเดียวท่านก็เห็นว่าต่อยอดอยังไงเสร็จแล้วท่านจะสอนต่อยอดให้ ลกศิษย์บางคนนีท่านให้ดูกายอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ดูจิตนะท่านสอนให้ดูจิตเลยเพราะงั้นหลวงพ่อเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยก็ดูจิตเลยแต่ว่าตั้งแต่เด็ก น, ะนั่งสมาธิมาแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุล น, นะจิตมันเป็นผู้รู้มาตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุลเลยทําไงจิตถึงเป็นผู้รู้นั่งสมาธิไปสิแล้วจิตมันเคลื่อนไปมันไหลไปเรารู้ทัน จิตว่าตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่พอมาถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยหลวงปู่บอกให้ดูจิตเอาหลวงพ่อก็ไปดูจิตทีแรกก็ดูไม่เป็นนเข้าไปแทรกแซงจิตพยายามบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างเพื่อจะรักษาจิตให้นิ่งๆเอามันมาตั้งไว้นิ่งๆแล้วก็ได้เฝ้าดูทั้งวันดูอย่างนั้นสามเดือนไปส่งกันบ้านหลวงพูบอกดูผิดแล้วละอย่างนั้นแทรกแซงอาการของจิตธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่ง งั้นถ้าเราไปพยายามฝึกไม่ให้จิตชิดนึกปลุกแต่งให้จิตนิ่งนิงว่างๆางอันนั้นแทรกแสงนะเป็นการทำจิตให้ผิดธรรมชาติท่านบอกให้ไปดูใหม่ให้ไปดูนะให้ไปดูอ๋รหลวง่อก็มันนึกคำว่าดูคำว่าดูหมายถึงว่าสภาวะมันเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเราดูหนังเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ประพันธ์เราไม่ใช่นักประพันธ์แต่งเรื่อง เราไม่ใช่ผู้กำกับคอยบังคับให้ตัวแสดงแสดงอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ใช่นักวิจารณ์หนังด้วยเราเป็นแค่คนดูมีหนังอะไรให้ดูเราก็ดูไปอย่างนั้นมีบทรักก็ดูบทรักมีบทกโกรธก็ดูบทกโกรธในใจเราแสดงหนังให้ดูตลอดนะเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทกโกรธเดี๋ยวก็มีตัวดีเดี๋ยวก็มีตัวร้ายใครเห็นตรงนี้บ้างภาวนาเห็นไหมตัวไหนร้ายตัวดีหรือตัวร้ายเยอะกว่ากันตัวไหนออกบ่อย ตัวร้ายมาบ่อยนึกออกไหมเวลาตัวดีมานะมาแ ป, ป๊บเดียวใช่ไหมพระเอกนางเอกออกมานะออกแวบเดียวเราผู้ร้ายมันออกประจาเลยนะเจนพระเอกนางเอกเนะี่ยไม่ค่อยโปรหัวามาให้เห็นเลยนะบางคนมันหายหัวไปเลยไม่โปรเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ดูเป็นไม่ใช่ดูไม่เป็น ดูหนังข้างนอกเป็นพิเศษเลยอ่ดูหนังข้างในนี่มันแสดงให้เราดูตลอดเนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนเปี่ยนเปลีป่ยนแปลงอยู่เงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนกระทั่งปัญญามันแจ้งปัญญามันก็มีเป็นระดับระดับไปตัเบื้องต้นมันก็แจ้งว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราะจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก่อนทํางานของมันได้เองแล้วค่อยพอนาต่อไปต่อไปมันจะรู้เลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ ถ้ารู้ถึงตัวนี้นะจิตที่จะหวางจิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตแล้วก็ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละน่าจะปล่อยโลกทั้งโลกเลยอืมสนุกดี <laughs> ใจหลงอีกแล้วรู้สึกไหมตะกี้หัวเราะเห็นไหมใครเห็นรูปหัวเราะบ้างเมื่อกี้เอเห็นรูปหัวเราะเห็นแบบใจทื่อๆหรือเปล่าหรือใจเป็นปกติ ถ้าเห็นรูปหมดละแต่ใจอย่างนี้นะใช้ไม่ได้นะถ้าไม่เห็นก็ใช้ไม่ได้เห็นใจทื่อๆก็ไม่ถูกเ น, นี่ค่อยๆเรียนไป น, นี่โลวงปูดูนะท่านสอนหลวงพ่อนะมาเปลี่ยนลำดับลาดับสอนทีแรกก็ให้ดูจิตมันทำงานไปแล้วก็เห็นเลยว่ามันปรุงแต่งทั้งวันเดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยคือสเป ส, เสังคาราะสะัก เหสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสะเพสังขารานตตาสังขารทั้งหลายบังคับไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าสังขารทั้งหลายความปรุงดีบ้างความพรุงชั่วโลภกรดหลงอะไรเกิดแล้วดับเกิดแล้ดับแล้วมันจะเกิดนะมันก็เกิดออกมาเองนะเราสั่งมันไม่ได้เราห้ามมันไม่ได้นะแล้วมันเกิดแล้วเราจะไล่มันก็ไล่ไม่ไปอะ่าหมุนอยู่อย่นี้เองเนี่ยค่อยๆดูไปในสุดปัญญามันก็เกิดมันรู้ว่าจิตนี่ไม่ใช่ตัวเรา จิตนี้มันทำงานของมันได้เองมันแปลปลวนไปมันก็แปลปลวนของมันได้เองในถัดจากนั้นถ่าข้อสอนธรรมะที่ประนีตประนีตขึ้นไปอีกท่านสอนช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านสอนบอกว่าให้ให้รู้ทันลงไปที่จิตนะตัวจิตผู้รู้อ่ะตัวจิตผู้รู้เนี่ยต้องทำลายมันอีกทีหนึ่งท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทาลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิต ชื่จะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแค่นั้นเองการทําลายไม่ใช่ไปทําลายให้มันแตกหักเสียหายทําลายตัวนี้แปลว่าไม่ยึดถือมันแต่ไม่ยึดถือมันได้หมายถึงว่ารู้ความจริงของมันจงกระทั่งไม่ยึดถือจิตแทนจิตอย่างแจ่งแจ้งนั่นแหละมันจะทําให้ไม่ยึดถือจิตนะพอไม่ยึดถือจิตเนี่ยจิตจะแปลสภาพเป็นธรรมเลยคราวนี้จิตกับธรรม่ะรวมเข้าด้วยกันไอ้พวกเราค่อยๆฝึกไปหนะลวงปู่ดูลได้บอก อีกประโยคหนึ่งคล้ายๆพยากรณ์ไว้ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านพูดประโยคนี้เลยนะต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อตอนนั้นฟังนะครับครับในใจนึกรุ่งริ่งสิเนยเถียงเหมือนกันนะแต่ไม่พูดออกมานะใจไม่เชื่อไมไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อไปที่ไหนมีแต่คนดูกายใช่ไหย สายท่านพุทธทาสเน่ยรู้ลมหายใจนี่ก็กายใช่ไหยสายลมเ้าเทียนขยับมือก็กายพวกดูท้องพองยุบนะยกเท้าย่างเท้านี่ก็กายสายวัดป่าพูดโทแล้วก็พิจารณากายไม่มีใครดูจิตเลยนะแล้วหลวงปู่ดุลมาบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองแต่มีขอบเขตนะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นไม่เชื่อหรอกแต่วันนี้เชื่อแล้วละ่นะพวกเรา น, นี่แหละ มาขยันดูกันอยู่ในเมืองทําไมมันมาร่้เรื่องในเมืองทําไมดูกไกไม่ค่อยรู้เรื่องนะดูกไก่มันมองกับคนเข้าฌานนะพวกเราอะเข้าฌานเป็นซื้อที่ไหนอนะวันวันหนึ่งฟุ้งซ่านตลอดเลยนะเดี๋ยวตาเขามองเห็นรูปเห็นแล้วก็เกิดกิเลสเห็นนั่งรถมานะหลวงพ่อมาจากเชงบุรีนั่งม อ, มอเตอร์เบย์อย่างเงี้ย การเอาโตตเยอะๆเลยนะนี่ชวนไปเที่ยวนี้ชวนไปกินนี่ชวนให้ซื้ออันนี้เนี่ยล้วนแต่ยักิเลสเั้านั้นเลยใจเราถูกเราถูกกระตุ้นตลอดเวลางั้นจะมาให้เข้าสมาธินะอย่างพวกเราคนในเมืองเนี่ยมาให้เข้าสมาธิให้ลึกๆลงไปออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาแยกร่างกายเป็นส่วนๆเห็นร่างกายระเบิดเติร์ดเทิงอะไรข้นมาเนี่ยทำไม่ได้ ใจมันไม่เคยสงบเลยสงบก็สงบสั้นๆเคยได้ยินคาว่าสมาธิสั้นไหมไม่ใช่ใครที่ไหนเราอย่าไปโทษเด็กเลยบอกเด็กยุคนี้สมาธิสั้นพลวงพ่าเห็นพวกเรา t ี i แหละสมาธิสั้นนั่งอยู่เนี่ใจล็อกแรกๆๆลอกแรกรู้สึกไหมใครหนีไปไหว้เจ้าข้างนอกบ้างแล้วมีไหมได้ยินเสียงประทัดก็คิดถึงไก่เวรกรรมของไก่นะช่วงนี้ ก็ละเมื่อกี้หลงอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรัสมาธิมันจะยาบยังไงมีแต่เรื่องข้อมูลที่เข้ามาทางตาทางหูยังได้ยินคําพูดเนี่ยใจมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดังั้นกรรมฐานที่มันเหมาะกับพวกเราที่อยู่ในเมืองนะที่ผัสสะหลากหลายมากผัสสะร้อนแรงการกระทบเนี่ยรุนแรงนะไม่ใช่ลมพัดใบไม้ไหวอย่างกระทบซ้ํำซากไม่รุนแรง ของเราเนี่ยอะไรต่ออะไรไม่รู้แค่ข้อมูลข่าวสารวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราได้รับนะมากมายมหาศาลใจจะสงบเนี่ยเป็นไปได้ยากงั้นในเมื่อใจมันไม่ยอมสงบนะเราก็ย้อนสอนมันเลยแทนที่จะไปฝึกให้มันสงบเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของมันมันไม่สงบรู้ว่ามันไม่สงบนะอย่างตามองเห็นใจเกิดโลภขึ้นมาให้รู้ใจเกิดโกรธขึ้นมาให้รู้นะใจใจลอยไปให้รู้ หรือตามมองเห็นรูปเกิดความสุขนะให้รู้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้รูนะ้รู้อะไรก็ได้รู้สุขรู้ทุกข์ก็ได้นะรู้ดีรู้ชั่วก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆฉยนี่กลุ่มหนึ่งนะอีกอันหนึ่งไม่ดีก็ชั่วนะจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เองนั่นเราอาศัยการสังเกต เราเรียนรู้ลงมานะพอตากระทบเกิดสุขเกิดทุกข์ให้เรารู้ทันเกิดดีเกิดชั่วให้เรารู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้เราคอยรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจเป็นคิดใจคิดก็เกิดสุขเกิดทุกข์ได้เป็นไหมคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เป็นไหมคิดเรื่องนี้รอบคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงฟุ้งซ่านเป็นไหมคิดเรื่องนี้หดหู่เป็นไหม ถ้าดูให้ดีนะเราจะพบว่าขณะที่ตามองเห็นเนี่ยใจไม่ได้สุขทุกขสุขทุกขเนี่ยต้องมีกระบวนการพิจารณาก่อนว่าที่เห็นเนี่ยคืออะไรดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะต้องคิดก่อนต้องคิดต้องปรุงก่อนแล้วมันถึงจะเกิดสุขเกิดทุกเกิดดีเกิกเกดกชั่วขึ้นมาในใจนะมีการให้ค่าก่อนต้องการให้ค่าเนี่ยใจมัคิดใจมันทำงานเราไปห้ามใจไม่ให้ให้ค่าให้ใจอ ย, อยู่เฉยๆยไม่ถูก เะนั้นใจจะให้ค่าอารมณ์ต่างๆว่าดีไม่ดีอะไรก็ตามใจมันแต่พอมันให้ค่าว่าเป็นอารมณ์ที่ดีนะมีความสุขเกิดขึ้นจิตมีความยินดีพอใจให้รู้ทั น, นะเวลากระทบอารมณ์แล้วมันให้ข้ามตีความว่าอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกนโทสะมันขึ้นหรือว่าใจมันไม่ชอบนะหรือว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทั น, นค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ไปรู้ไม่ใช่เพื่อ ที่จะไปแทรกแซงมันอย่างความสุขเกิดขึ inside, ้นให้รู้เพื่อจะได้เห็นว่าความสุขมันเกิดขึ้นเองแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเองตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเรียกว่าอนิจจงตรงที่มันเกิดเองมันตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปได้เองตรงที่มันเป็นไปเองไม่ใช่ตามที่เราสั่งเรียกว่าอนัตตาหัดดูของจริงนะของจริงแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา เหมือนดูหนังในใจเราเนี่ยสแสดงอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีหยุดหรอกอย่เว้นตอนหลับลึกๆลงไปตอนหลับตื้นๆนะใจขึ้นมาฝันนะก็ายังมีสุขมีทุกข์เคยฝันแล้วร้องไห้ไหม <c ười> เคยฝันแล้วโกรธไหมเคยฝันแล้วรักไหมนะใจ ย, ยังทํางานได้อีกนะขนาดร่างกายหลับนะแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราดีๆนะตอนหลับเนี่ยเวลาเกิดความรู้สึกอะไรที่แรงๆในสติเกิดเองเลย นะถ้าเราฝึกได้ถึงจุดนั้นน่าจะดีมากพวกเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนตื่นตื่นนะความรู้สึกอะไรเกิดเคยรู้รูไปไปแท้จะเห็นความรู้สึกเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความรู้สึกบังคับไม่ได้เวลาที่เรานอนหลับเนี่ยถ้าเราฝึกตอนตื่นไว้ชํานาญแล้วเวลาตอนนั้นหลับเมือฝันไม่ดีปุ๊บนะสติมันเกิดเองนะถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยโอกาสที่จะปิดนรกได้เนี่ยมีนะปิดอบายได้มีนะโดยเฉพาะปิดนรกเนี่ยเป็นไปได้แต่อาจจะปิด เดรัชานไม่ไม่สนิททีเดียวนะเพราะว่าอารมณ์มันไม่แรงเท่าอารมณ์ของสัตว์นรกอย่างถ้าเราฝันว่าคนไล่ฆ่าเรากลัวมากเลยใครเคยฝันว่าถูกไล่ฆ่ามีไหมถูกไล่ตีถูกไล่ไลแทงวิ่งหนีก็ะหืดกรหอบวิ่งก็ไม่ค่อยจะไปบางทีตะกายหาะขึ้นฟ้าก็หาะใต้เตี้ยเตี้ยนะหลบหลบโลบโลบใครเคยฝันว่ า, าหอาหอแล้วหาะไม่ค่อยขึ้นมีไหม <laughs> มีไหมมีไหม ยังมีอยู่นะคนโบราณฝันเรื่องนี้เยอะนะเนี่ยมันวัดได้ว่าคนเจเนเรชันไหนนะเวลาฝันร้ายเกิดขึ้นนะสติมันรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะก็ไม่ถูกอารมณ์ที่ไม่ดีครอบงำในขณะที่คนเราจะตายมมนจะมีนิมิตนิมิตก็เหมือนฝันนี่แหละ มันจะฝันถึงกรรมที่ได้ทำแล้วก็มีนะเรียกว่ากรรมนิมิตนะหรือฝันถึงอุปกรณ์ในการทำกรรมรอย่างฝันถึงมีดถึงปืนถึงอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็ได้หรือฝันถึงอนาคตก็ได้นะที่ที่มันจะไปเกิดเ้วยคตินิมิตย่างเห็นต้นนิ้วกระทะทองแดงเห็นอะไรต่ออะไรนะนรกจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ใจเราเชื่อว่านารกเป็นอย่างนั้น น, ะนรกของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสวรรค์แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอุปท า, านมันไปสร้างภพขึ้นมาได้นะแล้วแต่กรรมมันจะส่งไปอนะุปาทานของเราก็สร้างนารกแบบของเราขึ้นมานะเราสร้างของเราเองเพราะฉะนั้นนรกไม่มีวันเต็ ม, ม่เพราะทุกคนสร้างได้ด้วยตัวเองนะสร้างของเราได้เองนี่ยพอใจเวลาจะตายนะเกิดนิมิตไม่ดีขึ้นมะาเกิดนิมิตน่ากลัวเห็นยมาบาล น, นะตรงนั้น นิมิตกลัวปุ๊บจิตรู้ว่ากลัวเนี่ยความกลัวดับปั๊บเนี่ยนิมิตไม่ดีจะหายไปเลยงั้นเวลาตายนะจะตายแล้วไปสุคติได้นะช่วยตัวเองได้ชาติหนึ่งเท่านั้นแหละนะได้ชาติเดียวในอภิธรรมพูดถึงบอกว่าถ้าได้สมัสณียานสมัสณียานคือรู้ว่ารูปนามนี้เป็นไตรลักษณ์โดยการเปรียบเทียบ ะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเพราะร่างกายเดี๋ยวนี้กับร่างกายแต่ก่อนไม่เหมือนกันจิตใจไม่เที่ยงเพราะจิตใจเดี๋ยวนี้กับจิตใจแต่ก่อนไม่เหมือนกันถ้าปัญญามันแจ้งตรเนี้นี่มันมีสามารถสัยญาณท่านบอกว่าปิดอบายได้ชาติหนึ่งหนึ่งชาตินะชาติหน้าตรงนี้มันเสื่อมอะความรู้นี้เสื่อมมันก็ปิดไม่ลงเนี่พวกเราค่อยๆหัดไปเราจะเห็นเลยความรู้สึกท่านหลายเกิดระดับเกิดระดับทําไมจะปิดอบายไม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกะแต่ไม่ใช่ยุให้ขึ้เขิมที่จะไปอบายนะ ไม่กลัวแล้วคราวนี้ทําชั่วได้แต่พี่กัดเลยนะฝึกนะฝึกค่อยๆหัดรู้หัดดูสภาวะของเราไปอะไรเกิดขึ้นให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้รู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆนะจนกจะทั่งปัญญามันพอนะปัญญามันแจ้งขึ้นมานะให้เข้าจุดไปก่อนอันนี้น้อยแต่นะแถวไม่ยาวคราวนี้ระวังตัวดีเนี่ย ฟังแล้วยังไม่หลงยาวรู้สึกไหมหรือประทัดมันน้อยไปสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลือๆใช่ไหมได้ยินลงภ่พพูดอย่างนี้ใจคลายได้ยิอย่างนี้ใจขมวดเข้ามาตั้งอกตั้งใจเครียดเครียดเนะี่ยใจมันเปลี่ยนเป็นของมันเองดวกไหมเรื่อการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคนในเมืองเนี่ยจะดูได้ง่ายเพราะมีผัสสะที่รุนแรง ทางตาหูจมูกลินกายใจเข้ามากระทบตลอดเวลาเลยนะบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องคนอื่นนะใจเราก็กรเทือนกระเทือนกระเทือนไปได้ดูอินเทอร์เน็ตดูเฟซดูไลน์อะไรนี่นะใจ ก, ก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงบางทีไม่ได้ดูของคนอื่นหรอกเขียนของตัวเองนี่แหละแล้วก็คอยเวียนมาดูว่ามีเพื่อนมากดไลค์กดแชร์ไหมถ้าไม่มีใครมาไลค์มาแนะชร์หน้าเฉาเลยวันนั้นอนะ่ะใครเป็นบ้างกล้าสารภาพอะ่ะ เขียต้องมาแนละ้ไม่มีใครมาดูเลยว่าไปไหนกันหมดวะเขาไม่เชื่อถือเราเล่าเหลืออะไรเงี้ยเขาไม่รักเราเล่เาหลอไม่สนใจเราเล่เาหรือพวกเนี้ยนะจิตใจอ่อนแอนะจิตใจอ่อนแอต้องการที่จะย้ําว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่นะตัวเองย้ําคนเดียวไม่พอต้องให้เพื่อนช่วยย้าด้วยถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยย้ำนะ้ความมั่นใจในตัวเองเนี้ยสูญเสียไปเลยถ้าเราภาวนานะเราไม่ต้องมีใครมาช่วยย้ำเลยว่าฉันยังอยู่ มันจะตั้งดูเมื่อไหร่มือจะไม่อยู่สักทีวะไม่ใช่ชั้นยังอยู่แล้วดีนะกลายเมื่อไหร่มันจะหมดความเป็นตัวเราสักทีมันจะรู้สึกกับข้างกันนะไม่ใช่ครยเซิร์ฟอัตตาไปเรื่อยๆให้มันเลี้ยงอัตตาเราไปเรื่อยๆงั้นไม่แปลกหรอกที่การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเพรขะอแรกเลยภาษามันเยอะถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการดูจิตดูใจนะไม่จะทําไม่ยากหรอกนะไม่จะยากอะไรจิตสุข เรารู้ไหมจิตมีความสุขเรารู้ได้ไหมก็ไม่ยากใช่จิตมีความทุกรู้ได้ไหมก็ไม่ยากจิตดีจิตชั่วรู้ได้ไหมก็ไม่ยากเนีนในส่วนของจิตเนี่ยนะถ้าดูเต็มภูมิมันจะมีเวทนาคือสุขทุกนะมีสัญญาความจำได้ไหมายรู้มีสังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะสัญญาเป็นตัวเข้าไปหมายหมายถูกบ้างหมายผิดบ้างนะอย่างบางทีเขาหมายถูกหมายรูปนามเป็นไตรลักษณ์นีเรียกว่าหมายถูก ทีก็หมายผิดว่าจิตใจนี่คือตัวเราเนี่ยหมายของไม่ใช่เราว่าเป็นเราดูร่างกายแล้ว่างร่างกายของเราเนี่ยคงที่ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยสองสามปีก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยหมายรู้ผิดว่าของไม่เที่ยงว่าเทียงเนี่ยตัวหมายรู้นะจะค่อยๆเรียนในส่วนของใจนะตัวที่เด่นๆเนี่ยตัวเวทนาตัวสังขารเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อนนดูง่าย ตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วสังขารมันก็ปรุงไปตามสัญญาสังขารมันทํางานก็อาศัยสัญญาช่วยกันทําไม่ได้ทํำโวดๆนะเวลาขันมันทํางานมันทําช่วยๆกันทำค่อยๆสังเกตไปอย่างอยู่ๆหน้าของคนคนนึ่งโผล่ขึ้นมาเคยมีไหมไม่ได้คิดไดหนึ่งหน้ามันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทีแรกยังไม่รู้ว่าหน้าใครนะแล้วสักพักหนึ่งสัญญาเข้าไปแปล แปรรูปที่เกิดขึ้นในใจเราเนี้ยะโอ้ยไอคนนี้เองนต่อไปก็จําพฤติกรรมของเขาได้อันี่ศัตรูเราต่อไปก็ปรุงต่อปรุงสังขารแล้วโทสะไม่ขึ้นเคยไมหมโกรธคนที่เราเคยโกรธมานานๆแล้วเราลืมไปตั้งนานแล้วตอนึกถึงก็เข้าขึ้นมาได้อีกโกรธขึ้นมาอีกก็ได้เนี่ยอาศัยสัญญานะหรืออาศัยภาษาในปัจจุบันนี้ก็ได้นะภาษากระทบนะ มีการเข้าไปแปลกความหมายง่าสายสัญญามาช่วยอีกแล้วก็จะเกิดสังขารนะเกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาอีกนะัจิตใจนะั้นมันทํางานมีนกลไกของมันนะมันช่วยกันทํางานนะัสถ้าเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเราก็จะเห็นจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจนี้เดียเดยเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วถ้าเราเห็นแบบนี้นะเรียกว่าสัญญามันทํางานได้ดีคือมันไปหมายรู้ถูก ว่าจิตใจเดี๋ยวมีความสุขแล้วความสุขก็หายไปนี่จิตใจไม่เที่ยงมันเป็นการไปหมายรู้ความสุขโดยค ว, วามไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าหมายรู้ถูกนะหรือมันเห็นความทุกเกิดขึ้นแล้วแหมมันทุกของมันเองไม่ได้เจตนาจะทุกข์ทุกได้อย่างนี้ก็เรียกว่าหมายรู้ถูกนะงั้นอาศัยเนี่ยคอยรู้คอยดูนะเวทนาเกิดขึ้นกร็รู้สังขารเกิดขึ้นคอยรู้นะรู้แล้วก็รู้ให้ถูกมุมรู้แล้วก็หัดมองให้มันเป็นไตรลักษ ดูไม่ยากหรอกค่อยๆหัดดูไปนี่ยงขณะเนี้ยร่างกายร่างกายตั้งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ลองไปยักหน้าซิรู้สึกไหมรู้สึกนถ้าดูจิตไม่ได้กลับมาดูกายแบบเนี้ยะถ้าดูจิตวันนี้ดูจิตไม่ออกแล้วมั่วหมดแล้วก็ร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งรู้สึกว่ามันนั่งอยู่เอายิ้มหวานพามันยิ้มหวานเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนรู้สึก กลับมารู้สึกอย่างงี้นะเดี๋ยวๆก็มีแรงกลับไปดูจิตดูใจได้อีกนะ้จิตใจสงบจิตใจสุขมิเรียมีแรงขึ้นมาอีกก็จะกลับไปดูจิตได้ไปดูจิตแค่เห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดียเดยเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดรู้หัดดูนะใช้เวลาไม่มากหรอกพอใจมันแจ้งแล้วคราวเนี้เราจะรู้เลยว่ามันน่าหวาดเสียวกว่าจะหลุดออกมาได้ น, ะน่ากลัวน่ากลัวอะไรกลัวหลุดไปอยู่กับโลก กลัวหลงอยู่กับโลกแล้วไม่ยอมเห็นธรรมะอย่างนี้นะพอเห็นธรรมะแล้วเนี่ยใจหายรนะอดมาได้ไงนะไม่น่าจะรอดมาเลยนะหันไปมองเพื่อนๆโอ้มันน่าสงสารนะน่าสงสารเมื่อก่อนเราก็มือดอย่างนี้นะอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ก็เลยตะเกียกตะขายเอาตัวรอดได้เน้ ใ, นใจมันจะเกิดความเมตตาสงสารนะเมตตาคารุนเกิดขึ้นเองเนะ่ มันเห็นความยากลําบากที่ตัวเองผ่านมามนก็เลยเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยคนอื่เขาก็ลําบากบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ยินธรรมะคนพวกนี้อาภัพนะเรียกว่าเป็นคนอาภัพเลยคนที่ไม่มีโอกาสได้ยินธรรมะพวกไหนบ้างไม่มีโอกาสได้ยินธรรมะนะเกิดมาก็หูหนวกตาบอดแล้วรับธรรมะไม่ได้เลยนี่เป็นอาภัพประบุคคลตั้งแต่เกิดเลยนะบางคนเกิดมาในครอบครัวมิจฉาทิฐิ นะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะเกิดในประเทศที่ไม่สมควรท่านถึงบอกว่าอยู่ในประเทศที่สมควรนะเป็นมงคลนะอยู่ในแผ่นดินที่งมีศาสนาอยู่เนี่ยเป็นมงคลอยู่ในแผ่นดินที่ไม่มีศาสนาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะนะเขาก็ดีของเขานะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์อย่างของเราเขาก็ได้ได้เป็นคนดีอย่างของเขาต่างคนต่างดีนะไม่ดีเหมือนกันนะ เวลาพูดถึงาศาสนาอื่นก็ต้องพูดบอกว่าต่างคนต่างดีนะเขาก็ดีแบบของเขาเราก็ดีอย่างของเราอย่าไปพูดว่าดีเหมือนกันหมดมันไม่เหมือนกันหรอกาศาสนาพูดไม่เหมือนใครหรอกค่อยๆฝึกนะใจลอยอยังใจลอยไปไหนมีใครลอยไปต่างประเทศบ้างมีไหมมีลอยไปแถวทะเลทรายประเทศพวกนี้โอ้ลำบากลาบากนะ ลอยไกลตอนนี้ได้อยู่ในแผ่นดินที่ดีแล้วนะยังธรรมะยังดํารงอยู่ได้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วนะเราก็พื้นฐานเลยก็คือไม่บ้าใบาบอดหนวกนะถ้าบ้าใบาบอดหนวกเกิดในแผ่นดินที่ไม่ดีอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ได้ใกล้สัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมะอาภัพ เพียงแต่ดีกรีความอาภัพไม่เท่ากันบางคนอาภัพมาแต่เกิดเกิดมาบ้าใบบดหนวกเกิดมาในแผ่นดินแบบนี้เกิดมาในครอบครัวแบบนี้พวกเราใครเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เอ า, าศาสนาพุทธมีมไหมบางคนมีนะเราจะฟังซีดีนะ่พ่อแม่ไม่ชอบเลยอยากให้ไปเชือดคอไก่ตอนเนี้ต้องไปเชื่อดให้ไวๆจะได้ขายได้เยอะๆอะไรเงี้ยบางคนกเกิดในครอบครัวอย่างนั้นนะ ดัง้กว่าจะตะเกียกตะกายภาวนาขึ้นมาได้เนี่ยต้องต่อสู้เลยจะมาขอบวชขออะไรเนี่ยนะไม่มีทางได้บวชเลยเพราะอย่างจะมาบวชพระเนี่ยต้องให้พ่อแม่อนุ ญ, ญาตเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิยังไงก็ไม่อนุ ญ, ญาตนะนีโอกาสมันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเกิดมาไม่บ้าใบาบอนหนวกเกิดมาในแผ่นดินนี้ซึ่งมีศาสนาอยู่นะมีโอกาสได้เข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมลงมือปฏิบัติธรรม เราลงมือปฏิบัติธทรมนะี่ยไม่ยากอะไรหรอกนะถ้าเราเป็นคนเมืองเราก็ดูจิตดูใจไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายค่อยๆดูไปดูจนมันแจ้งบางคนก็แจ้งในเวลาสัาน้นบางคนใช้เวลานานะแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกเพราะบารมีสร้างมาไม่เท่ากันนะเราไม่แข่งกับคนอื่นนะบางทีภาวนาเ น, นี่ยเรามีเพื่อนเป็นกลุ่มไปภาวนานด้วยกันไปเรียนด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกัน แต่เวลาภาวนาเนี่ยต่างคนต่างทำบางคนได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้าบางคนไม่ได้ผลกนะ็มีไม่ใช่ไม่มีมันไม่แน่อยู่ที่บา ร, รมีของเราขนาดไหนถ้าบา ร, รมีเราสะสมมามากพอแล้วเราได้ยินธรรมานิดเดียวนะคลิกนะใจคลิกออกมาแล้วนะเข้าใจแล้วถ้าบา ร, รมีเรายังน้อยเขาสะสมเมอนะไม่ใช่ท้อแท้ใจนะเพื่อนเขาได้หมดแล้วเรายังไม่ได้ หลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องหนึ่งนะท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านท่านอายุมากแล้วท่านเล่าให้ฟัง่ะทีแรกก็คุยธรรมะกันนะท่านถามเราภาวนาไงนึเล่าให้ท่านฟังพอท่านฟังตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่นะท่านฟังนะท่านน้าตาซึมเลยท่านบอกว่าเราบวชภาวนาอยู่กับโลกุปมั่นนะอยู่บ้านผือะรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาพ้นทุกข์ไปแล้วเราภาวนาไม่ได้นะอย่างเงี้ย เราไม่ได้อะไรแต่อีกร้อยชาติเราก็จะภาวนาท่านพูดอย่างนี้นะเนี่ยใจที่ที่งามมากนะใจที่เข้มแข็งมากๆเลยหลวงพ่อนะลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งเลยนะไม่ได้กราบว่าท่านทรงมรรผลนิพพานอะไรนะกราบว่าท่านทรงธรรมะที่เลิศอันหนึ่งนะคือมีวิริยะนะมีความภาคเพียรนะมีความตั้งใจมั่น เรีย อ, อธิษฐานน้ำบารมีตั้งใจมั่นว่าจะต้องไปให้ได้สู้ตายมีความเพียรมีขันติมีความอดทนเนีสิ่งเหล่านี้เป็นของดีทั้งสิ้นเลยงั้นเราจะไปดูแล้วเราไปประมาทโอ้ท่านสู้รุ่นเดียวกันไม่ได้แค่นั้นไม่ฉลาดเลยท่านมีอะไรที่ดีพิเศษซึ่งเราต้องเรียนจากท่านอีกหลายเรื่องเนี่ยเนี่ยได้เรียนจากท่านด้วยนะ น, นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยมีเยอะไม่ใช่เรียนจากหลวงปู่ดูลงเดียว เรจะครูบาอาจารย์ที่ดีๆเนี่ยหลายสิบองค์เลยนะสามสิบองค์แต่ทุกองนะลงมาที่สติกับปัญญานะลงมาที่นี่นะมีสติไว้ขาดสติคือขาดธรรมะเลยนะมีสติแล้วรู้กายรู้ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาต้องเห็นความจริงของกายของใจด้วยนะงั้นรู้ด้วยสติกัรู้ได้ปัญญาต้องมีทั้งสองอย่างงั้รู้ได้สติอย่างเดียวนะได้สงบถ้ารู้ได้ปัญญา ได้มักผลนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกของเราไปทุกวันทุกวันนะวันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันนว่าไปเลยโยมอยากอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะคือได้นั่งสมาธิมานานมากแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติปััสนาจงกระทั่งสามีเสียชีวิตก็เลย เห้จิตไปฝึกมาสิบวันแล้วก็ปฏิบัติเองอยู่ประมาณหนึ่งปีแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงบแล้วขณะที่ปฏิบัติก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังขารตลอดเวลาได้คล่องแล้วหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็ยังรู้สึก เปลี่ยนแปลงรู้สึกไปนะรู้สึกไปจนมันพอรู้สึกอีกยังไม่พ อ, ย, พอยังไม่พอนะยังไม่พ้นทุกยังมีอีกเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกิเลส ท, ที่ปฏิบัติมานี่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม นิ่งๆอยู่อย่างนี้ไหมนิ่งค่ะ น, น, นิ่งอย่างนี้เลยเหรอเ <Okay. S 1> นี่ยติดสมถ mm hmm. นะเเกตไหมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นไหมร่างกายไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงแต่จิตนีนิ่งๆจิตมันคงที่ไปนะอย่าไปประคองจิตอย่าไปรักษาจิตนะปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยง เดี๋ยก็เป็นผู้รู้เดี๋ยก็เป็นผู้คิดเป็นสังเกตตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดถ้าเห็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวมันจะหลุดออกจากที่ติดตัวรู้นะไปดูเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดมันไม่เที่ยงดูตัวนี้นะสูให้มากๆเลยถ้าไม่งั้นจะไม่ไปต่อการน้ำรชการค่ะหนูไม่ได้ส่งการบ้านมาเป็นหนึ่งปีแล้วค่ะ แล้วก็ปฏิบัติก็ดูกายดูจิตแต่หนูดูจิตมากกว่าดูกายแล้วก็ที่ที่เมื่อกี้หลวงพ่อเทศเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอันนี้หนูเคยเห็นการทํางานของสัญญาเห็นว่าเขาปรุงขึ้นมาว่ามีจิตตัวหนึง่งบอกว่าเนี่ยตัวเรานี่เป็นของเราแล้วสัญญาก็จําหมายรูผ้ผิดผิดแล้วสัญญาก็าขึ้นมามาหลอกเราอันนี้คือหนูเคยเห็นครั้งหนึ่งล่าสุดนี้หนูเห็นเรื่องอุปทาน แต่หนูหนูไม่แน่ใจหนูจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าใช่หรือเปล่านะคะคือว่าหนูเคยเห็นเมื่อตอนที่คือจิตมันจะปรุงความกลัวขึ้นมาปรุงอยู่มาแล้วหนูก็ดูแต่มันก็หายไปแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาความกลัวที่ว่าเนี้คือตึกๆึขึ้นมาตื่นมาก็เป็นเป็นเป็นจะไม่รู้ว่าคืออะไรโดยที่ไม่มีผัรษะเข้ามากระทบที่กลัวจนกระทั่งหนูเป็นอย่างนี้ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งหนูไปเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่หนู กัวเนี่ยมันคืออุปทานหนูปเป็นอุปทานความยึดตั้งหาวันนั้นหนูเห็นตรงนี้แล้วมันก็หลุดในสิ่งที่มันก็เลยหลุดพอเห็นครั้งนี้เห็นครั้งที่หนึ่งไปเห็นอีกครั้งหนึ่งคือเห็นเห็นอุปทานของสัญญาว่าสัญญาเนี่ยแหละคือโทษทำให้เราทุกข์ฮะว่าเราไปยึดตัวสัญญาเราไปยึดตัวคืออุปทานเนี่ยแหละคือเหมือนกับเมื่อก่อนถ้าหนูเห็นทุกข์หนูเห็นจิตทํางานว่าเป็นทุกข์ ก็คือเห็นอย่างนั้นอันนี้หนูกลับเห็นว่าอุปทานเนี่แหละเป็นตัวทำให้เราทุกข์หนูถามว่าหนูเห็นถูกไหมคะก็ดูไปนะมันก็ถูกอยู่หรอกดูไปอีกอนะสัญญามันเข้าไปหลอกนะสัญญามหลอกหลอกให้เราปรุงต่อไปเรื่อยๆ อ, อาศัยตัณหาอาศัยอุปท า, านจีก็เลยไปปรุงแต่งต่อไม่เลิ หมุนวนไปเรื่อยๆสบายๆดูไปอย่าคิดเยอะตัวนี้หลงอยู่ในหลุมของปัญญาแล้วล่ะทิ้งมันไปรู้ปัจจุบันไปไม่ต้องไปทวนตรงนั้นนะเสียเวลาถูกมันหลอกโอง่โง่ไวโง่งไว้ก็คือเริ่มต้นศูนย์ใหม่น ะ, ะใช่ปฏิบัติหน้าเป็นระบบดิจิทัลนะ สูงจนหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับแค่นี้ยิ่งพอละหนึ่งกับศูนย์เกิดดับเกิดดับไปเลยแค่นี้พอลนะเราไม่ต้องงให้มันมาพลดัดจนเป็นเป็นตัวอะไรขึ้นมาหรอกนะไ น, นไม่จําเป็นงั้นความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะก็แค่รู้แค่เห็นรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วอย่าไปยึดไว้ถ้าพยายามจําน้ําจะอึดัดจะอึดัดหลวงพ่อมีอยู่ช่วงนะพอนาตอนนั้นเป็นโยม หัดดูจิตดูใจใหม่ๆไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งมันเกิดความรู้ความเข้าใจนมหาศาลเลยพอความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดนพยายามจำไว้ในเวลาเพียงสองสาวันเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราไปไหนเราก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันหนักมากเลยนะอึดอัดมากหนักมากเลยกลัวมันจะลืมนะพยายามจาทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตมันถ่ยทอดออกมา ถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดขึ้นทันสองสามวันละมันเหนื่อยเต็มทีละพวกเราพาวนาเ น, นีนะเพื่อจะปล่อยนะไม่ได้พาวนาเพื่อจะเอากระทั่งปัญญาเขาไม่ใช่เพื่อจะเอานะงั้นรู้เราก็ทิ้งไปล้วก็อยู่กับปัจจุบันนับหนึ่งไปนับหนึ่งนับศูนย์ไปแล้วการเดินทางของจิตยังถูกต้องไหมคะถูกแต่ถ้าไปวนอยู่ในหลูปที่คิดตรงนี้เรื่อยๆนะก็ติดอยู่ตรงนี้เลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดไหม มันเป็นการตรึกอยู่ในอดีตทั้งนั้นเลยสัญญาพลังพาให้หลงแล้วนะ ม, นมันหลอกเราอีกแล้วหลอกให้เราตรึกอดีตอีกแล้ค่ะครับต่อไปกราบมณัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูส่งกันบ้านเมื่อแปดเดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าเคร่งไปอย่าเคร่งมากทําให้ช้าเจ้าค่ะอืมหนูก็พยายามสบายสบายขึ้นแต่ก็ ปฏิบัติในรูปแบบสม่ําเสมอขึ้นฟังซีดีหลวงพ่อเกือบทุกวันแล้วก็รู้กายใจในชีวิตประจําวันก็รู้หลงไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็รู้โทสะรู้เวลามีความโลภพวกเนี้ยค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เคยเคยมีเหตุการณ์ที่หนูมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็มันเหมือนเป็นช็อตเจ้าค่ะมันเป็นช็อตหนึ่งแล้วก็มีเหมือนกับสัญญาขึ้นมาว่าสิ่งนั้นคืออะไร แล้วหนูก็เห็นว่าข้างในมันกาลังปรุงความรู้สึกต่อสิ่งนั้นแต่แต่พอหนูเห็นความรู้สึกนั้นมันก็หายไปเจ้าค่ะถูกจุดสำคัญก็เห็นนะมันปรุงของมันเองแล้วมันก็เกิดดับเจ้าค่ะแต่หนูคิดว่าหนูทาสมถะไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลานั่งสมาธิก็จะเป็นการนั่งดูร่างกายหายใจแล้วไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องทาสมถะแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละสมถะ แต่มันไหลใจมันไหลนะมันฟุ้งซ่านนั่นเองสติรู้ทันใจมันก็สงบขึ้นมาชั่วขณะมันก็ได้สมาธิทีละขณะทีละขณะถ้าทําได้บ่อยๆมันก็เหมือนมีสมาธิยาวๆขึ้นมาสมาธิดีกว่าแต่ก่อนรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกเจ้าค่ะแล้วหนูควรจะทํายังไงต่อไปเจ้าค่ะ มันฟุ้งมากไปนิดนึงยังฟุ้งอยู่เออนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทานเวลาจิตไหลบ่อยๆไปทำไปไปทำต่อเหมือนที่เคยที่ทำมาใจไหลแล้วรู้นะไหลแล้วรู้ให้มันรู้สึกตัวสบายสบาเจ้าค่ะแล้วตอนนี้เคร่งเครียดน้อยลงไหมเจ้าค่ะรู้ไหมล่ะคิดว่าน้อยลงอ่ก็ใช่สิค่ะแล้วก็ กค่ะเออไปทำอีกนะกับมาสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ยโสว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นนะคะอืมถูกก็อยากให้ตั้งไหมอยากให้รู้ที่อยากนี่แหละค่ะถ้ารู้ทันใจก็สงบเพรามมากแล้วตั้งขึ้นมาค่ะนะถ้าเมื่อไรใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนะสมาธิก็เกิดเลยอืมค่ะ ต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะไม่มีดูปัจจุบันไม่มีพิเศษขอบคุณค่ะมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือรู้วนั่นแนหะไม่ดูอะไรพิเศษนะ่ะกาขอบคุณค่ะอา้าวหนูว่ามาค่านะนามศากาหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้นี่รู้สึกว่าเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าพอเริ่มรู้กายรู้ใจมากขึ้นนะคะมันดูไม่ออกในความยึดยึดตัวตนยึดว่าเราเป็นคนดี อยู่อย่างเงี้ยค่ะว่าแบบดูไม่ออกดูไม่ออกว่าว่ายึดอยู่คือพอเรารู้สึกว่าเราดูรู้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นคนดีเราเก่งแต่ไอ้ตรงตรงเก่งเนี้ยดูไม่ออกอะค่ะจนดูดูเท่าที่ดูได้แต่ว่าปัญหาคือเวลามองโลกมันจะไม่มองตามความเป็นจริงมันเหมือนมองคนอื่นเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับกับตัวเราที่ที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจะไปไม่ชอบคนอื่นว่าเขาไม่ดีเราดีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมองไม่ออกอะค่ะ ตัวมานะนะมันเป็นการเทียบเขาเทียบเราค่ะมีความรู้สึกสังเกตไหมเราเห็นเขาไปอย่างนี้เราอย่างนี้เขาไม่ดีเราดีเนี่ยเป็นกิเลสที่ชื่อมานะนะแค่เราก็แค่รู้ทันไม่ได้ห้ามมันหรอกคือพอแบเหมือนกับว่าเราดูตัวเองมากๆเราก็จะอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะคิดว่าเหมือนรบอกยิ้มใจใช่ใช่ค่ะแล้วเวลาไปดูคนอื่นซึ่งไม่เหมือนเราเราก็จะไม่เข้าใจเขาเราจะเข้าใจแต่ตัวเองพอไปดูเขานะแล้วรู้สึกว่าเขาแย่นะ เราก็รู้เลยใจเราปราโมทเขาแล้วใจเราดูถูกเขาแล้วเนี่ยกิเลสนะให้เรารู้ทันพอรู้ทันมันก็จะหน่อยจ่อยอย่างเงี้ยว่าป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งก็ดูไปอีกอะเนี่ยดูตัวปัจจุบันไปนะเป็นปัจจุบันไปเร่อยอ๋อนี่คือการต้องปฏิบัติแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้ปฏิบัติว่ารู้ทันแล้วเรารู้สึกจิตใจโป่งโล่งสบายแล้วให้มันเป็นอย่างนี้รู้อย่างที่มันเป็น พอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้พอรู้อย่างนี้มันเกิดความรู้สึกอันใหม่เลยเนียเกิดก็คือดูยังยังดูแต่ในเฉพาะตัวเราก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องไปเข้าใจคนอื่นเขาอย่างนี้ไม่ต้องหรอกให้เข้าใจตัวเองบางทีมันดูไม่ไม่ละเอียดนะคะดูไม่ไม่ต้องละเอียดหยาบหรือละเอียดที่มีค่าเท่ากันหยาบหยาบนะอย่างความโกรธเงี้ยหยาบหยาบกับความขัดใจเล็กๆนะเป็นมันละเอียดกว่าโกรธหยาบหยาบใช่ไหม ถามว่าสองตัวเนี้มีค่าต่างกันไหยไม่ต่างทั้งคู่นี้แสดงใจรักเท่ากันถ้าเราเห็นตัวหยาบได้ก็เห็นใจรักเห็นตัวละเอียดได้ก็เห็นใจรักหยาบหรือละเอียดเท่าเทียมกันค่ะก็ไปดูต่อแบบนี้ยั ง, ย, งยังถูกอยู่ใช่ไหมคะใจมันโลบหน่อยหน่อยนะดูออกไหมดูออกค่ะนเนี่ยตอนนี้มันฮึ่เหิมแนละ้วเดี๋ยวมันจะดูแหลกเลยเ น, นี่ย <laughs> ให้รู้ <laughs> ทันตัวนี้เข้าไปเลยนะ คุณค่ะขอบคุณค่ะไมงั้นเดี๋ยวจะออกแขวงหลวงพ่อไปนี่นะจะไม่ยุ่งกับใครแล้วคราวนี้ครูจะน้องดูนหัวปากหัวปั๊มนะอันนี้ก็แรงไปใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือแรงไปหรือว่าแค่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมัน alert มากนะรู้สึกไหมมัน a ิ e r t มากเดี๋ยวครูจะไปดูมันแล้ววะอย่างนี้เลยนะของพึ่งเนี่ยนี่ยรู้ทันรู้ทันตัวเองไปเรื่อย นมัสการครับหลวงพ่ อ, อ, อส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองครับสามปีครับก็<ร>าตามรู้ตามดูกายใจมาเรื่อยๆนะครับก็เราได้อะไรบ้างเห็นมันกระเพื่อมเหมือนน้ำในทนแลสีล<อ>ดีขึ้นไหมสีสข้อสี่ยังบกพร่องครับเวลาบกพร่องเราก็รู้เนาะเราก็ไม่ได้ยินดีที่บกพร่อง ศีลดีขึ้นรู้สึกไหมสมาธิมันดีขึ้นไหมสมาธิดีขึ้นเนหะ็นไหมนี่คือเราวัดความก้าวหน้าของเรานะศีล ส, สมาธิปัญญาเราดีขึ้นไหมกิเลสย้อมใจเราได้น้อยลงไหมนะรู้เท่าทันมันมากขึ้นไหมและความก้าวหน้าของเราเราวัดกันนะวัดกันที่กุศลและอกุศลเองถ้าเราปฏิบัติอยู่แล้วอกุศลลดลงเสื่อมไปกุศลเจริญขึ้นนก็ถือว่าใช้ได้เดินอยู่ในเส้นทางที่ดีนะ เนี่ยถ้ากุศลมันมากพอแล้วนะมากผลมันก็เกิดก็เกิดของมันเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้หรอกเหมือนอยู่ที่ปฏิบัติให้ถูกแต่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมอืมตอนนี้พยายามจะประคองเลยครับเออดีที่รู้นะอยู่จริงๆไม่ประคองนะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วรู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีที่สุดครับพาณาสามปีนี้ดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะใช้ได้ ขอบพระคุณครับประเมินตัวเองออกไหมประเมินด้วยกุศลและอกุศลเนี่ยลองดูกลัวจะเข้าข้างตัวเองเออดีที่กลัวมาถามกันบ้างไม่เป็นไรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรก<ม>แต่ฟังสีดีหลวงพ่อ ม, มาประมาณหกเจ็ดเดืนอน<ม>ทีนี้ก็ฝึกรู้สึกแบบว่ากายกับใจคละานก็ บางครั้งก็เหมือนจะรู้สึกน่ะนะมันมันรู้เป็นคราวๆแต่ก็ฝึกโดยโดยที่แบบทำงานบ้านบางทีล้างจานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอืบางทีก็ไปเรื่องไหนก็ไม่ทราบครับบางทีหลายเรื่องบางทีก็กลับมารู้ตัวเร็วว่าเราไปไหนแต่บางครั้งก็ไปนานมากครับหลวเราก็สนใจในการล้างจานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยค่ะนะเห็นร่างกายล้างจานไม่ใช่ดูจานนะ ดูร่างกายล้างจานแล้วถ้าใจหนีไปก็ได้รู้ไวๆบางทีเราไม่ใส่ใจความใส่ใจเราน้อยไปนิดนึงหนีนานที่ฝึกอยู่ดีนะดีแหละดีเรารู้สึกเปล่าว่าความรู้สึกกับจิตมันก็ขัล้านเหมืนกันค่ะรู้สึกไหมจิตมันหนีไปได้เองก็บางทีคือคือบางทีอย่างเนี้ยอย่างตอนที่ที่เรียนหลวงพ่ออยู่เนี้ยนะคะ พอหลวงพ่อพูดก็กลับไปนึือกว่าเอ๊ะที่เราทนะําเนี่ยใช่ไหมรู้รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอั น, นอันนี้เรียกว่าจิตหนีไปไหมคะใช่อันนี้จิตไปคิดะคะแล้วหลวงพ่อมีจะแนะนําว่าควรจะฝึกยังไงต่อไปคะฝึกอย่างนี้แหละอย่างอย่างนี้ให้รู้ไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่ควรทําในรูปแบบบ้างนะในรูปแบบเออทาแบบเข้มขน้นขึ้นนิดหนึ่งช่วงสั้นๆอ่ะวันหนึ่งสักสิบห้านาที อ, อะไรเงี้ย ค, คือเคยทําแล้ว เหมือนตัวเองรู้สึกเครยดอะค่ะเลอค่ะเอาเครียดทำห้านาทีเอต่อต่อร้องไม่ทำเลยนะใจมจะไม่ค่อยมีแรงเวลาไม่มีแรงเวลาหลงหลงยาวใจตอนนี้ขันมันแยกได้ดีแต่กำลังเนี่ยไม่ค่อยมีนะ่งต้องทำในรูปแบบให้มันเพิ่มพลังขึ้นมาทำในรูปแบบทำได้หลายอย่าง นะอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆนะ์คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงคนที่ดีคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษามาดีแล้วเนี่ยสมถะทั้งนั้นแหละ <Okay. S 1> นะหรือคิดถึงความตายไม่นานเราก็ต้องตายอนะไรอย่างเงี้ยพิจารณาคนอื่นก็ตายเราก็ตายอนยะ่างงี้ยีาณาไปนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ ตรงนี้บังคับเยอะเปนิด่หนึ่งมันจะแน่นแน่นอ่ะคนนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้วการนัสกการหลวงพ่อค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําการปฏิบัติค่ะแนบมาตั้งแต่เช้าแล้วอหายใจแล้วรู้สึกให้มันผ่อนคลายหน่อยนะรู้สึกไปสบายๆภ า, านาดีขึ้นแล้วล่ะรู้สึกเปล่ารู้สึกค่ะนะดีขึ้นกว่าเก่าแล้ว ดูไปธาตุขันนี้ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นค่ะนั่นแหละมันเห็นอนัตตาธาตุขันนี้ไม่ใช่ตัวเราว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดูอย่างนี้เรื่อยๆนะรน่างกายนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนความรู้สึกทั้งหลายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเหมือนฝันฝันไปสุขทุกข์ดีชั่วเหมือนฝันฝันไปแล้วก็หายให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆใช้ได้แต่ต้องทําในรูปแบบ <het> ด้วยนะหลวงพ่ขอคข่ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่า คือรู้สึกเหมือนกับเวลาจะดีใจหรือเสียใจมันจะหนืนกับบอกว่าเฉยๆเต็มทนอเงี่ะหนูไปประคองหรือไปแล้วหนูรู้สึกมันแต่ว่าเฉยไม่เราภาวนาเนี่ยนานถ้าปัญญามันเกิดแล้วเวลาความรู้สึกอย่างโลกโรคเกิดนะมันไม่เต็มร้อยแล้วมันรู้สึกเพียงนั้นแหะอย่างคนอื่นเขาหัวเราะบางทีเราก็หัวเราะตามมารยาทหัวเราะอะไรหัวเราะแกนะที่หัวเราะเออหัวทราะเรื่องอย่างนี้เลยนะะรู้สึกโลกนี้มันจืด ดีใจก็ไม่ดีใจเต็มร้อยเสียใจก็ไม่เสียใจเต็มร้อยมันจะฝึกไปมันเป็นอย่างนั้นแหละส่วนจะเกิดจากปัญญาหรือการติดเพ่งสังเกตเอาถ้าใจเฉยใจนิ่งอยู่เรื่อยๆนะอันนั้นเกิดจากการติดเพ่งถ้าใจเหมือนคนธรรมดาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนั้นเกิดจากปัญญานะมันเฉยเพราะปัญญาบางทีมันก็ยังเกลี้ยวกล่อเหมือนเดิมมันก็แล้วแต่ไ ม, ไม่ห้ามหรอกนะมันเคยเกลี้ยวกล่อ ฆ่ามันไม่ได้หรอกไป ร, รู้เอาค่ะกราบนวัตการค่ะหลวงพ่อฟังสิดีหลวงพ่อมาได้ปีกับสามเดือนนะนะฮะคือส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสิบเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าใช้ได้ให้ไปทําต่อหนูก็ทํามาตลอดตอนเนื่องทุกวันครึ่งชั่วโมงบางชั่วโมงบ้างทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามีสติระหว่างวันมากขึ้นแต่ก็เป็นระยะสลับมันหลงไปเรื่อยไปนะฮะถูกแล้วล่ะรู้ตลอดเวลาคือเพ่งนะฮะ ถ้าเราไม่ได้เพ่งเอาไว้มันก็รู้บ้างเผลอบ้างรู้สึกไปอย่างตอนนี้ความรู้สึกเราเข้มข้นกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันตื่นเต้นตมันเลยเร่าความรู้สึกเข้มข้นกว่าปกตินะเรารู้ไปด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดาใจลอยแวบรู้ว่าใจลอยเห็นบ่อยไหมตอนที่ใจหนีไปใจลอยก็เห็นนะฮะ ก็พยายามมีสติอยู่แล้วก็ในตัวไ ม, ไม่พยายามว่าต้องรู้สึกตลอดนะฮฮไหลไปเรารู้ไวๆถ้าพยายามรู้จะแน่นในตัวโทสะนี่ก็พอเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็มันก็จะดับลงแต่ตอนนี้เพิ่งสังเกตตัวโลภะของเราเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวอยากเที่ยวเดี๋ยวอยากกินนู่นนี่ซึ่งซึ่งถึงเราจะรู้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปดับหรือว่าอยากน้อยลงเราไม่ใช่ไปห้ามมันได้หรอกนะมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ เราแค่รู้แค่รู้อย่างนี้นะเราเห็นใจที่อยากมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พอมันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญา<ม>อะไรที่สมควรทำเราก็ทำนะอะไรไม่สมควรทำก็ไม่ทำก็เลือกทำอะ<ม>แต่ไม่ใช่เลือกทำเพราะอยากนะต่เลือกทำด้วยปัญญา <Okay. S 2> <ม>แล้วก็มีอีกนิดหนึ่งครับพอดีบางทีบางทีพอแน่นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ<ม>กับ อาจจะไปหลับตาเกรงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เกรงให้รู้ว่าเกรงแน่นรู้ว่แน่นเนี่ยแต่บางทีมันจะเครียดขึ้นมาตรงหน้ผาผากเนี่ยฮะเครียดแล้ไปร้องเพลงเปลี่ยนอารมณ์ อ, อ๋อป เ, เปลี่ยนอารมณ์ไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยไม่ต้องนั่งแก้มัหรอกแล้ว ก, กลับมานั่งใหม่หรือจะไปเดินจงกลมเปคล้ายๆเราเล่นหมักลุกกับเพื่อนนะหมักสานี้เล่นยากนะแกล้งชนกระดานให้ล้มไปเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เอง่ายกว่าเก่าอื อย่างนี้การเกิดความสูมันทําให้เกิดสมาธิหลวงพ่อว่าอย่างนี้ความสูมันก็เนิ่นช้าไปเหมือนกันถ้าติดเนี่ยติดสมาธิก็เนิ่นช้าสิความสุขทําให้เกิดสมาธินะพอมีสมาธิแล้วยินดีพอใจไ ม, ม, ม, รจมร่รู้ว่ายินดีพอใจเนี่ยถึงจะติดถ้ามีความสุขเกิดสมาธิแล้วยินดีพอใจในสมาธิรู้ว่ายินดีพอใจจะไม่ติดค่ะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหม ไปทำอีกสิค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ อ, อนำ้ำมศการหลวงพ่อค่ะอยากจะได้รับความแนะนำนะคะคือเ อ, อ่อบางครั้งเนี่ยนะคะที่มองเห็นเ อ, อ่อความรู้สึกริษยาหรือบางครั้งความพยองในใจเราไม่รู้สึกว่ามันน่าละอายอ่ะมันเหมือนกับในใจมันสร้างแผนอะไรบางอย่างมาคลุมแล้วก็มีคำอธิบายว่าก็เราเป็นปู่ถิ่ชนมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละช่างมันสิเราไม่ได้บังคับมันให้ต้องละอายนะ สิ่งที่เราต้องการให้เห็นคือมันเกิดดับมันเกิดเองดับเองใช่ไหมต้องการแค่นี้แหละเราไม่ได้ต้องการแก้ไขมันนะไม่ได้ต้องการทำอะไรหรอกรเพราะฉะนั้นอย่างเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าปะกะติปุถุชนก็เป็นงนี้ไอ้ตัวนั้นไม่สำคัญคนะแค่สำคัญที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปบแล้วมันเป็นเองสั่งมันไม่ได้ ไม่ต้องมาวิาพาควิจาร์ตัวเองต่อว่าทำไมไม่รู้สึกอย่างนี้บางคนภาวนานนะท่้นทำไมไม่เมตตาคนอื่นเลยนะเนาะจะรู้สึกอย่างนั้นไอ้นั้นคิดเยอะไปดูเกิดดับแค่นั้นพอแล้วแล้วหลายๆครั้งที่มันเกิดเออ erm ไอ้วัจิก ร, รมหรือกายกรรมที่ไม่ดีนะคะคน้นพวบว่ามันมาจากความกลัวแล้ว ลึกลงไปคือความกลัวตายทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งจิตมันก็บอกออกว่าที่มันกลัวตายเพราะว่าจิตมันกลัวว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเราจะปอบโยนมันได้บ้างไหมคะหรือยังไงดีค่ะอนาคตมันไม่รู้นะแต่ถ้าเราภาวนามากพอเนี้ยเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองะเราจะไม่ค่อยกลัวตายหรอกคนที่กลัวตายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนค่ะถ้ารู้ว่าตายแล้วดีวันนี้แน่นอนนะอาจจะรีบตายเลย <laughs> ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเนยมันไม่หวั่นไหวกับเรื่องตายนะเมื่อเราสร้างความดีไปเยอะเยอะภาวนาศีลสมาธิปัญญาอบรมไปแล้วความกลัวตายก็จะลดลงลดลงเพราะว่ามันเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เออ หลวงพ่อเคยบอกว่าบางครั้งอย่างเช่นฝึกไทแก๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอินเนอร์หรือมันเป็นสันทัตยานไม่ไม่ให้ทํานะคะแต่ทีนี้บางทีเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาที่มันเหมือนว่าเออมันนิ่งอะค่ะร่างกายมันจะเคลื่อนไหวหรือบางครั้งถ้าเราขยับเนี่ยมันจะทำให้สมาธิดีขึ้นอย่างนั้นเราควรจะไปแทรกแซงและบอกให้มันอยู่นิ่งๆไหมคะคือมันได้ประโยชน์ตรงที่มันได้แต่สงบนะเราต้องการประโยชน์มากกว่านั้นอีกอะ เวลาไม่ได้ต้องการว่าต้องสงบเยอะ ๆ, ๆสงบนานๆนะค่ะเราก็จะเห็นเลยจิตเนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบจะสงบก็สั่งไม่ได้น ะ, ค, ะค่อยๆดูไปไงั้นถ้าฝึกไปในทางสมถะเยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสั่งได้อย่างพวกฤๅษีชีไฟจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาะเพราะอะไรเพราะว่าแม่ทรงฌานนมกจะเข้าฌานปุ๊บกเข้าได้เลยเนี่ยจิตบังคับได้นจะสะสมความเข้าใจผิดนะ ไม่ต้องไปเล่นเยอะหรอกหลวงพ่อก็เคยทำนั่งสมาธิแล้วตอนที่จิตใกล้ๆจะรวมลึกๆนะมันมีปิติตัวมันโครงโคงเราเห็นจำได้เออเวลามันจะรวมมันนโครงพอเริ่มนั่งก็เอาลวละ <laughs> <laughs> <laughs> ไม่ได้กินหรอกงั้นขอบพระคุณค่ะไอ้ที่ผิดๆนะหลวงพ่อทำมาเยอะนะ วันนี้เรัดสอนนะ่ะสอนอย่างห้าวหาญเต็มปากเต็มคําว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรอกพอเคยลองแล้วส่วนใหญ่วันนี้เราก็าได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเป็นเหมือนอั่งเป่าวันตุจีนนะครับก็โ <c oughs> อกาสนี้จะเป็นขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหแห่งนี้กล่าวคําถวายปัจจัยและทายาธรรมครับขอเชิญทุกท่านน้อมจิตตามนะครับ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 ยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจศตุสัพเพภูเรนตุสังก ป, ปาจันโทปนาราโสยธามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปัจายิโน ชะตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพลังสาธุต้องต่อก ห, หน่อยนะสินเชียอยู่อี่สินี่ฝักใช่ <c oughs> <c oughs> โอ้าสาธุดังกว่าเก่าอีก <c oughs>